ท่านฟังที่เคารพคะรายการสัสนิษฐานาทีฉันสันนิษฐานพงด์ดำเนินรายการก่อนหน้านี้เราได้พบกับพระมาร์ชชาคาวโรนะคะทําให้ยามเช้าของเรามีจิต ท, ที่สงบมีจิต ท, ที่เป็นสมาธิเข้าถึงในสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสและกําลังจะมีสมาธิสืบเนื่องกับการที่ได้ฟังในสิ่งที่พระอาจารย์ไพบูลอภิปุนโนจากวัดป่าดอนายโซจะเมตตา ก, กับเรา ในช่วงเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะค่ะกราบน้ัมสการค่ะท่านค่ะในบาลค่ะยังสนใจเรื่องเกี่ยวกับการเรียนบาลีของท่านเพราะทราบมาจากท่านว่าบางอย่างจะยกตัวอย่างให้ได้เลยว่าอพอได้ศึกษาภาษาบาลี แล้วทั้งๆ ท, ที่เรียนรู้มาแล้วช่ได้ความรู้สึกที่มากยิ่งกว่าเป็นอย่างไรเลยคะท่านคะแล้วก็ตัวอย่างอะไรคะคือมีประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องการเรียนภาษาบาลีนะว่าที่ที่ได้พูดไปเมื่อวานว่าเออถ้าใครสคักคนใดคนหนึ่งเนี่ยจะมาเรียนภาษาบาลีแล้วให้สามารถเข้าใจค 2, ําสองพระเจ้าด้วยความเป็นภาษาบาลนะีคือคือในมันจะมีอยู่หลายระดับนะคุณยมติ๋วเข้าใจนะว่าสมมติคุณคุณเรียนไปเพื่อแปลได้เป็นภาษาไทยอันนี้การันหนึ่งคุณเรียนไปแล้วก็แต่งภาษาบาลีได้อันนี้ก็อันหนึ่ง คุณเรียนไปแล้วก็จะทําความเข้าใจด้วยความที่เป็นภาษาบาลีอันนี้ก็อีกอันหนึ่งซึ่งอันที่3เนี่ยอาจจะยัไม่ได้มีใครที่สอนกันให้เป็นเรื่องเป็ราวในประเทศไทยนะีก็ต้องอาศัยแบบว่าสกิลหรือความสามารถที่คุณฝึกฝึกไปเป็นทักษะคุณก็สามารถทําได้เองนะที่ประเด็ น, นที่การต้องการพูดเนี่ยก็คือว่าแลเราจะทํายังไงให้เราเข้าใจภาษาบาลีด้วยความเป็นภาษาบาลีโดยที่ไม่ต้องแปลทำแต่นะว่าพอทําอย่างนี้เราจะเกิดประโยชน์อะไรนะตัว อ, อย่างมีเยอะ นะตัวอย่างหนึ่งก่อนก็ได้นะเช่นชาคลี่อนธรรมคุณโยมติวที่พระเจ้าเคยบอกว่าที่ที่เราอ่านกันอยู่ประจำนะท่านมารก็เคยอ่านให้ฟังอยู่ ใ, ในตอนก่อนช่ว ง, งต้นรายการใช่ไหมว่ายามต้นแห่งราตรีเป็นผู้ที่เพียรเผากิเลสด้วยการเดินกันนั่งนะตลอดวันยังคำ่ำนะเขาใช้คาําว่าตลอดวันยังค่ําไปจนสิ้นยามแรกแห่งราตรีนะครั้นยามกลางแห่งราตรีนอนอย่างราชสีใช่ไหมเท้าเหลื่อมเท้ามีสีสันัญญะ พอยามสุดท้ายของราตรีก็ลุกขึ้นทําความเพียรให้หมดจดด้วยการ Ö ด้วยการเดินและการนั่งอีกเราเห็นว่าเขามีกิริยาอยู่2ตัวนะที่ทําความเพียรด้วยการเดินการนั่ง2ตัวไหนคือตัวตอนที่ตั้งแต่กลางวานันทั้งวันแล้วก็ยามต้นแห่งราตรีนี่ตัวหนึ่งและอีกตัวหนึ่งก็นอนอีกตัวหนึ่งนะตัวที่3ก็คือตัวที่ตอนยามสุดท้ายแห่งราตรีเพราะเราเห็นว่าความเพียรที่คุณทําด้วยการเดินการนั่งนมีแค่2ตัว แต่พอเราไปเปิดดูในภาษาบาลีคุณโยมติว๋วโอ้โหะตะลึงไปเลยเขามี3ตัวคือเขาแบ่งยามต้นของรากลางวันเนี่ยใช้ตัวหนึ่งใช้กิริยาที่คุณทําความเพียรด้วยการเดินกันนั่งนะตัวหนึ่งนี่ป<ะ>ุิุวจนะนะแล้วพอยามต้นอย่างราตรีใช้กิริยาที่บอกว่าทําความเพียรด้วยการเดินกันนั่งอีกตัวหนึ่งแล้วยามสุดท้ายอย่างราตรีใช้กิริยาที่บอกว่าทําความเพียรด้วยการเดินกันนั่งเนี่ยอีกตัวหนึ่งคือใช้กิริยาสตัวแต่พอแปลเป็นไทยปุ๊บมันรวบเหลือ2ตัว มันต่างกันยังไงคะต่างกันตรงที่ว่าถ้าพระเจ้ากําหนดกิริยาเอาไว้เนี่ยนะคือมันเน้นที่ตรงนั้นอย่างาถามว่าคุณไปปฏิบัติธรรมที่ไหนก็แล้วแต่ในไประเทศไทยหรือทั่วโลกก็ได้นะพอคุณกลางวันคุณทำความเพียรมาหมดแล้วเนี่ยถามว่าตอนที่ช่วงพระอาทิตย์ตกจ ะ, จะพระอาทิตย์ขึ้นมันจะตกลงไป น, นะคุณต้องไปห้องน้ํำไหมคุณต้องล้างหน้าคุณต้องอาบน้ำอะไรพวกนี้มันเขาจะมีเวลาทำตรงนี้มันหมายความว่าให้เราไปพักได้สันหน่อยหนึ่งค่ะถ้าไม่งั้นพระเจ้าจะใช้กิริยาตัวเดียวตลอดแล้วนะเอายามต้น ยามทั้งวันบวกยามต้นแล้วก็ยามปลายเนี่ยมันจะมีโครงสร้างภาษาที่ใช้กริยาตัวเดียวก็อธิบายตรงนี้ได้ทําไมต้องใช้กริยาทั้ง3ตัว<ม>นะ<ม>เพื่อบอกว่าเออมันน่าจะมีเบรกตรงกลางได้นะอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นแง่มุมให้เรารู้ว่าอ๋อเออเราไม่ใช่ว่าทําทั้งกลางวันปุ๊บพอตอนหัวค่ําไม่ต้องหยุดนะทําต่อไปเลยจนกระทั่งคุณก่อนเข้านอนไม่ใช่อย่างนั้นแต่พ อ, อกลางวันปุ๊บคุณหยุดได้หน่อยหนึ่งพักได้นะยามต้นยามราตรีทําอีกนะ่ะยามกลางนอนยามท้ายหามราตรีทําอีก ทำอีกทั้งไมหยุดได้นิดนึงนะแล้วตรงวันก็ไปทำต่ออย่างเงี้ยอืมค่ะก็เท่ากับว่าอันนี้ดิฉัน่ออนุญาตพูดกับท่านผู้ฟังอ่าใช่ๆช่พูดเลยนั่นก็ลันจะบอกว่าพวกเราจะโชคดีค่ะอืมคือพระอาจารย์ของเรามาถึ ง, งพระอาจาคยบูลนีนะคะแล้วก็พระสงค์อีกอยู่ในแวดวงที่ศึกษาพูทธทจนะเนี่ยจะขวนขวายในการที่จะหาความรู้ที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปมาฝา กับท่านเนี่ยค่ะวันนี้เราก็ได้งอกเงยมาอีกเรื่องชากริยานุโยคซึ่งเป็นเรื่องที่ถ้าคนสนใจเกี่ยวกับพุทธวจนะกับการปฏิบัติเนี้ก็จะทราบเรื่องนี้กันเยอะนะคะก็จะคอยฟังจากท่านพิบุูในเรื่องอื่นๆต่อไปแต่ในเมื่อท่านแตะชากริยานุโยคแล้วและผู้ที่ฟังรายการนี้ดิฉันก็เชื่อว่ามีจํานวนมากเหลือื่อนที่เป็นผู้ฝักใฝ่การปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติอยู่ด้วย กับผู้ที่กำลังงงว่าพูดถึงอะไรกันอยู่ชาคริยานุโยคขอช้าๆอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าหมายความว่ายอย่างไรคะเป็ น, <ะ> เ, ปนเป็นธรรมะนะที่จะทำให้เราเป็นคนตื่นอยู่ตลอดนะคือพูะุทธเจ้าเคยต้องการที่จะฝึกภิกษุเปรียบฝึกภิกษุเนี่ยเปรียบเทียบกับการฝึกมา้า ฝึกพิสูจน์หมายถึงว่าใครก็ตามที่จะต้องการมาฝึกในธรรมะวินัย น, นี้เนี่ยนะอันดับแรกเนี่ยพระพุทธเจ้าก็บอกว่าต้องมีการฝึกเป็นขั้นๆ น, นะเหมือนการฝึกช้างฝึกม้าเนี่ยเอามาจากป่ากแล้วก็ต้องฝึกเป็นขั้นๆ น, นะการที่ทําตนให้ประกอบอยู่ในธรรมะเป็นเครื่องตื่นคือชาคือเดียธรรมเนี่ยอยู่ในลําดับขั้นตรงนี้ด้วยหนะมายความว่าอันดับแรก ป, ปุ๊บคุณมีศีลก่อนเลยแต่คุณมีศีลเสร็จปุ๊บคุณทำไงอันดับที่สองนะต้องรู้จักสํารวมในการบริโภคนะบางคนนี่ มาบวชหรือมาอยู่วัดครั้งแรกๆเนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองต้องกินมื้อไม่ห้ามกินมื้อเย็นนะก็เลยใส่เต็มที่เลยลตอนเช้าตอนกลางวันใส่เต็มที่เลยมันก็เลยตัวอืดเหมือนกับถั่วถูกแช่น้ําพองทาอะไรไม่ได้ก็ไม่ได้งไงก็ต้องรู้จักปริมาณในการบริโภคต้องรู้เทคนิคการกินเค้ยวยังไงนะกินแค่ไหนถึงจะพออันนี้อันที่2มีศีลแล้วรู้จักประมาณในการบริโภคแล้วนั่นต่อไปผู้เจ้าก็จะฝึกให้เป็นผู้อยู่ในธรรมมันเป็นเครื่องตื่นคืออันนี้นั่นเอง นะคือกลางวันคุณไม่ต้องทํำอะไรนะเดินจงกลมนั่งสมาธิพักได้นิดนึงตอนเย่ตอนหัวค่ำคุณทํำไรก็ไม่ต้องทำไรเดินจง ก, กรมนั่งสมาธินะแล้วก็นอนตอนชุกกลา ย, ยามกลางอย่างราตรีนะตอนเช้าตื่นมาอเดินจงกลมนั่งสมาธนะิพักได้นิดนึงอาไปบินต บ, บาดหรือเลี้ยงชีพยัยงไงแล้วตะกบานก็นนะกทําต่ออีกอย่างนี้ น, นี้คือข้อที่3ที่ลําดับขัน้นนะอันถัดมาพรนะพุทธเจ้า บ, บอกก็ให้เป็นผู้ที่มีสติสัมปชัญญนะมีสติสัมปชัญญะนะ ทุกอิเดียบทนะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดคิด ม, มีสติหมดนะถัดมาก็ให้เป็นผู้ศึรู้จักสำรมอินทรียนะ์ตาหูโฉูงลิ้นกายใจรู้จักเก็บให้ดีนะนะถัดมาก็ไปอยู่เสนาสนะอสงา่าแต่ปีก็ให้ทําสมาธิอย่างเงี้ยไล่ไปจนกระทั่งถึงความเป็นบ า, ารันค่ะ อ, อันนี้หมายถึงว่าเฉพาะพระภิกษุหรือเปล่าคะเนี่ยออไม่เลยใ ค, ใครก็ได้คุณจะอยู่บ้านก็ได้ไหนะยังไงเราก็ต้องเป็นคนที่ควรจะนอนยามเดียวนะควรจะมีสติสัมปชัญญะ ควรรูปประมาณในการบริโภคนะอันนี้ก็ตามเขเรียกว่าตามตามประเภทตามลักษณะการอาชีพของเราอะ่ะสมมุติถ้าคาราวาสเนี่ยก็จะไม่ได้สีสีแปดหรก็ต้องเป็นศีห้ใช่ไหมอย่างนั้น <c oughs> ก็ตามคุณก็ต้องสำรวจบัญชีในที่ทํางานอยู่ดีนะถ้าเป็นพระเป็นเป็นชีเป็นสามเณรนะระดับขั้นตรงนี้ก็ทําให้ละเอียดได้เหมือนกันละเอียดได้ดียิ่งขึ้นไปค่ะ <c oughs> <c oughs> ชาเครื่องไนณธรรมตรงนี้มันยังมีส่วนที่อยู่ในเขาเรียกว่าอปันากะธรรมด้วยอปันากะธรรมเนี่ยแปลว่าธรรมที่ไม่ผิดที่เมื่อปฏิบัติแล้วไม่อาจจะเสื่อมเสียธรรมะเป็นธรรมะที่ไม่ผิดที่เมื่อปฏิบัติแล้วไม่อาจจะเสื่อมเสียมีแต่จะดีท่าเดียวแล้เธอพูดกันยาวๆน ะ, <Okay. S 1> ะก็คืออปันากะธรรมหนึ่งในสอย่าง น, น, นั้นก็คือการประกอบตนอยู่ในธรรมเป็นเครื่องเตือนนั่นเอง นคือไม่ใช่ว่าไม่นอนเลยนะคุณยมเตีย้ยนอนอยู่นะแต่นอนอยู่สักสามช่วงยามกลางราตรีแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะไปบุ่นบี้บุนบายทํากิจนั้นกิจนี้กลางวันทำอะไรก็เดินจงกรมนั่งสมาธิอย่างนี้เป็นต้นค่ ะ, ะแต่ที่ฟังมาเนี่ยก็เหมือนกับว่าจะต้องเป็นบุคคลประเภทที่ต้องการที่จะไต่เต้าไปเป็นพระอรหันต์เพราะว่าถ้าคนปกติธรรมดาและวิถีชีวิตที่จะต้อง เดินจงกรมนั่งสมาธิเป็นช่วงๆยาวๆเนี่ย น, น, นี่นี่เท่ากับว่า อ, อการเดินจงกรมนั่งสมาธิเสมือนกับเป็นงานหลักของชีว <ๆ S 1> ิตใช่ไหมใช่ใช่ อ, อทีนี้เราก็จะต้องพูดถึงว่าสมมุติคารวะคุณต้องมีหน้าที่การงานอย่างอื่นใช่ไหมเราก็เอาเฉพาะส่วนที่เราปฏิบัติได้อย่างเช่นว่าการนอนยามเดียวตอนกลางวันเอขอไปตอนกลางคืนนอนยามเดียวช่วงกลางของราตรี จะมาช่วงต้นแห่งราตรีกับช่วงท้ายแห่งราตรีเราตื่นซะนะคือคือคารวาสเนี่ยด้วยความเป็นคารวาสเนี่ยบางทีเรามีกิจการงานมากเราไม่สามารถเดินจุกลมนั่งสมาธิได้ตลอดเวลาใช่ไหมแต่อย่างไรก็ตามข้อ น, นี้เราอาจจะปฏิบัติได้ตรงที่ว่างั้นคุณตื่นก่อนพระอาทิติขึ้นซะคือไม่ใช่ตื่นจนกระทั่งพระอาทิติขึ้นสายลงแล้วนะหรือว่าตอนก่อนก่อนหัวค่ำก็ปฏิบัติสักนิดหน่อ ย, อยนี้ก็สามารถทําได้อยู่ นะครับเพราะว่าเท่าที่ดิฉันทิจนารณาดูเนี่ยก็คือว่ า, วามีสีได้แล้วสีห้าไปทำงานก็ได้นะคะมีสติตลอดก็แล้วกันรู้จักประมาณการบริโภคไปทำงานก็ทำได้แต่ว่าถ้ามาถึงข้อที่สามเป็นผู้อยู่ในชาลิยา น, นุโยกเนี่ยนะคะก็คื อ, อะจะต้องเดินจงกรมนั่งสมาธิอันนี้ก็ต้องใช้วิธีที่ท่านบอกก็คือ ใ, ให้เลือกยามเดียวตื่นเช้าหน่อยอยางว่านั้น ส่วนมีสติสัมปชัญญะนี้ทําได้อยู่แล้วอืสํารวมอินทรีย์ก็น่าจะทําได้อยู่แล้วทําได้ใช่ตั้งใจนะคะเศรษฐคะว่าไงนะคะคือหมายความว่าการเดินจงกลมลงมรมนั่สมาธิเนี่ยนะคือที่พุทเจ้ า, าบอกให้ให้ทําเนี่ยยงสมมุติว่าตอนยามกลางตอนกลางวันอย่างเงี้ยตั้งแต่หกโมงเช้าถึงหกโมงเยนคุณเดินจงกรมนั่งสมาธินะคือก็ไม่ใช่ว่าทําตลอดยี่สบสองชั่วโมงนะค่ะคือตรงสัดส่วนตรงนี้สิบสองชั่วโมงเนี่ยคุณจะทำกี่ชั่วโมงแต่ถ้าคุณเป็นนักบวชคุณทํําาาไไดด้้อจจะทชั่วโมำ ในึชั่วโมงก็อาบน้ำอาบผ้าซักผ้าซักผ่อนอะไรพวกนี้สิบดชั่วโมงทําได้แต่ถ้าเป็นคาราวาดกูอาจจะทําได้แค่สิบนาทีนะอีกสิบดชั่วโมงห้าสิบนาทีที่เหลือคุณทํางานอย่างอื่นหมดเลยอันนี้ก็ก็เป็นสัด ส, ส่วนที่ก็ต้องปรับแต่งตามวิถีชีวิตของเราค่ะอืมแต่ว่าสามารถที่จะปรับได้ในทุกๆคนอย่างกับอ่าคนทํางา น, นเยอะๆอย่างกับที่ฉันจะยกตัวอย่างตัวเองนะคะ ก็คือว่าพอทํางานมากๆเนี่ยเราก็ต้องเหมือนกับหาช่วงจังหวะเวลาอืเหมือนกันแต่ว่าก็มีถ้าหาแล้วก็อาจจะไม่มากแต่ก็มีอย่างอย่างอย่างเช่นอย่างคุณกุญยมติ๋วเอาคุณกยมติ๋วเลยนะค่ะว่าเราจะปฏิบัติชาคลีอนน้ำธรรมเนี่ยเราทำได้ไหมชากเลียันโยกในเวลาที่เราไปทำงานนะครับยกตัวอย่างเช่นจากคุณเดินจากที่ทํางานมาที่จอดรถคุณเดินทําให้เป็นเดินจงกรมนะระหว่างคุณที่คุณกําลังนั่งรอประชุมอยู่นะคนอื่นยังไม่มา คุณนั่งสมาธิแต่ไม่ต้องหลับตานะหรือว่าระหว่างที่คุณอรอลิฟต์อยู่นะเข้าไปอยู่ในลิฟต์คุณยืนสมาธิอย่างเงี้ยก็เราก็สามารถทําได้ละเป็นจารกเนียนะทําละกลางวันนะเราทําความเพียรในการเพียรเผากิเลสแต่ระหว่างที่เราพูดอยู่ระหว่างที่เราฟังคนอื่นเข้าประชุมอยู่ระหว่างที่เร า, ากินข้าวอยู่เราอาจจะไม่ได้มีส ต, ติตรงนี้ก็ได้ไม่เป็นไรนะเราทําได้ที่เราที่เราทําได้อย่างเงี้ยค่ะคือถ้าพอฟังประโยคสุดท้ายท่านพิบูลเนี่ยเข้าใจว่า ทุกท่านรู้สึกดีมากขึ้นแล้วก็รู้สึกอยากทําตา ม, มแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็่ะจะบอกว่าโอ้สงสัยชีวิตดิฉันนี่คงทําไม่ได้แล้วมั้งคะนะคะก็จะทําให้ท่านได้เห็นนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็มีน้ําหนักที่แตกต่างกันไปแล้วแต่ว่าอย่างไรจะสอดคล้องกับการดําเนินชีวิตของแต่ละท่านแตะสุดท้ายแล้วเนี่ยทุกท่านสามารถที่เป็นคนที่ตื่นอยู่ตลอดได้นะคะถ้าหากว่าอ่านําเอาไป วิธีการดําเนินชีวิตของตัวเองแล้วเรื่องนี้ก็เราก็ไม่ได้ว่าจะต้องแบบเบียดเสียดยัดเยีดยดคิดทําตัวเองให้เครียดคัดนะเราก็ทําเหมือนกับอย่างที่บอกเมื่อวานเนี่ยคือธรรมะทำให้เป็นวิถีชีวิตทำให้แบบส บ, สบายสบายนะไม่ได้เครียดคัดเกินไปนะมีจังหวะไหนเราสอบแซงได้เราก็ทําไปเนี่ยค่ะอืมน่านที่จะอืมมีมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอปันณ า, าธรรมนะที่จ ะ, ะไม่ได้อยู่ในส่วนที่พูดมา อ่ปปนากาธรรมเนี่ยแปล ว, ว่าข้อปฏิบัติอันไม่ผิดที่เมื่อปฏิบัติแล้วไม่อาจจะเสื่อมเสียมีแต่จดีท่าเดียวนะผู้เช่าพูดถึงข้อแรกก็คือเรื่องของการสํารวมในการรู้ประมาณในการบริโภ ค, ค ร, นะรู้ประมาณในการบริโภคอันที่1อันที่2ก็เป็นผู้ประกอบอยู่ในธรรมเป็นเครื่องตือนนะอันที่3ก็เป็นผู้สำรวมอินทรีย์สามอย่างนี้รวมกันเรียกว่าอปปนากาธรรมคือธรรมที่ไม่ผิดที่เมื่อปฏิบัติแล้วไม่อาจจะเสื่อมเสีย มีแต่จะดีท่าเดียวซึ่งก็จะเรื่องรับประทานนี่สำคัญใช่ใช่ค่ะซึ่งซึ่งก็จะอยู่ในการฝึกเป็นลำดับนั่นแหละพระเจ้าก็จะเอาหนี้ไปแทรกด้วยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านอาจจะมาเลือกวิถีของอาปาณกธธรรมคือธรรมที่ทำแล้วไม่มีเสื่อมเสียมีแต่ดีอย่างเดียวคือทีนี้ต่อไปรู้จักประมาณและจะรับประทานอะไรกันแล้วก็ประกอบในธรรมเป็นเครื่องตื่นคือชาคริยานุโยคตาม วิถีชีวิตของเราที่เหมาะสมสํารวมอินทรีย์สํารวมอินทรีย์เป็นยังไงกันบ้าคือการที่เห็นรูปด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วนะหรือว่าตาหูจมูกลิ้น ใ, นใจเนี่ยแล้วก็ไม่ไหลไปตามสิ่งนั้นนะคือไม่เห็นโดยความที่มันเป็นโดยรวมทั้งหมดหรือไม่เห็นแยกเป็นส่วนๆหมายความว่าอย่างเช่นว่าเราเห็นรถยนต์อย่างเงี้ยถ้าเราเห็นว่าโอ้โหรถยนต์คันนี้เครื่องเจ๋งมากเลยนะแล้วก็ไหลไปตามนั้นอันนี้ยังไม่ถูกนะหรือว่าเห็นโดยรวมว่าโอ้โหโดยรวมโดยรวม ด, ดีดีมากเลย อันนี้เราก็จะไหลไปตามมัน้วอันนี้ก็ยังไม่ถูกแต่ว่าไม่ไหลไปตามสิ่งเหล่านั้นให้รู้จักสำรวจมิตรีเก็บจิตของเราอยู่ในจิตของเราค่ะคือจะเห็นจะได้ยินจะได้กลิ่นจะรู้รสไม่เพลินไปกับมันใช่ไม่เพลินไปตามใช่ถูกต้องคือแค่รู้ไม่เพลินไปทั้งทางที่ดีแล้วกับพลังท no> ี่เสียบางคนคิดว่าเพลินไปทางที่ดีถูกอย่างนี้ก็ไม่ใช่นไม่ใช่ไม่ใช่ เพลินเป็นแนวทางที่เสียก็คือว่ากระฟ้ากระฟีดเกลียดชังไม่ชอบอันนี้ก็ไม่ใช่หรือเปลินเป็นแนวทางที่ดีก็คือรุ่มหลงโมเมาผัวพานอันนี้ก็ไม่ใช่ซึ่งถ้าสมมติว่าทำทุกอย่างประกอบกันคือปฏิบัติธรรมมันเป็นเครื่องตื่นเนี่ยดิฉันเข้าใจว่าจะเป็นตัวช่วยได้เยอะเลยจิตมันจะวางเองนะคะว่าเห็นอะไรแล้วก็จะไม่ไปในทางดีทางไม่ดี พวกนี้จะช่วยเกื้อนหนุนกันอันหนึ่งก็ช่วยอันหนึ่งอีกอันหนึ่งก็ช่วยอกันหนึ่งทําให้การไปดวงเราเนี่ยไปข้างหน้าได้อย่างเดียวดีมากๆเลยไม่มีทางผิดเลยนะคะย้ำอีกครัง้ง ว, ว่าสิ่งที่ท่านพิบูลกรองพูดอยู่นี้คือทําหัวข้ออาปาณกจ<ม>ักรมที่ทําแล้วไม่มีทางเสื่อมเสียมีแต่ดีอย่างเดียวรู้ประมาณการบริโภคประกอบในธรรมเป็นเครื่องตือนกับสํารวมอินทรีย์นะคะต้องอาจากเขาสัปดาห์นี้ก็คิดว่าเราลงท้ายกันแบบที่ให้ให้โจทย์ ให้ท่านทั้งหลายไปฝึกปฏิบัติในช่วงอสออาทิตย์ที่ท่านจะไม่ได้มาในรายการนี้นะคะท่านฟังก็รับไปปฏิบัติกันก็แล้กันค่ะแล้วท่านก็จะได้พบว่าสิ่งที่พระพุธองตรัสสอนนั้นเกิดผลดังที่พระพุธองได้ตรัสนั่นแหละนะคะไม่มีเสื่อมเสียมีแต่ดีอย่างเดียวเป็นการที่เราปิดท้ายของสัปดาห์ที่ยังคิดว่า น่าจะดีที่สุดแล้วนะคะสำหรับวันนี้ประกาศนมรสการขอบพระคุณท่านพิบูลเป็นอย่างยิ่งนะคะเจ น, นิญพรค่ะท่านพิบูลอภิปุณโนนะคะท่านจะมาจัดรายการกับรายการนี้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เช่นเดียวกับพระมหาชาควโรค่ะแต่ในส่วนของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านพิบูลก็ยังจะไปพบกับผู้ฟังนะคะอยู่เป็นประจําในเวลาเดียวกันนี้สําหรับเสาร์อาทิตย์ค่ะ รายการนี้นะคะเรามีหนังสือพู้ทวจนะที่พระอาจารย์คึกฤทธิ์โสธิพโลท่านเจ้าอาวาสวัดที่ท่านม้าชาคาวโรแนะนําท่านปฏิบัติธรรมในช่วงเช้าเนี่ย น, นะคะได้จำวัดอยู่ก็มาแจกให้กับผู้ที่สนใจวันละสามท่านขอกันมาศูนย์สองสองหกเก้าศูนย์ศูหรับวันนี้ดิฉันสัสมสีณาผงก็ลาเพื่อที่จนัดท่านมาพบกันใหม่นะคะในวันจันทร์ที่จะถึงนี้เวลาตีห้าค่ะวันนี้พุทธวสตรีค่ะ